ต ร, ราไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบาประสูตรที่18บนลกาปานสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านชื่อนลกาปานะพระผู้มีพระภาคประทับนบป่าไม้ทองกวาวลใกล้หมู่บ้านชื่อนลกาปานะสมัยนั้นกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบวชอุทิศพ ร, ระผู้มีพระภาคหลายท่านด้วยกัน